ช่วงนี้ก็มีคนส่งข่าวๆเรื่องราวนะเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นข่าวๆที่พวกเราทราบดีก็มีทั้งเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ยากลำบากของผู้คนที่น่าสรดสังเวช แต่ก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจนะมีคนหนึ่งเขาเป็นอาสาสมัครไปช่วยผู้ประสบภัยที่เมืองฟุกุชิมะฟุกุชิมะนี่ก็เป็นเป็นเมืองที่โดนภัยซุนามิเข้าไปเต็มที่เลยแล้วก็โดนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็มีปัญหา ผู้ชายคนนี้เขาก็เล่าว่าได้ไปเป็นอาส า, า, าสมัครช่วยแจกอาหารก็มีผู้ประสบภัยเข้าคิวยาวเหยียดที่นั่นนี่เขาก็คนเขามีวินัยมากนะขณะเจอภัยพิบัติขนาดนี้ก็ยังไม่แตกตื่นก็ยังมีวินัยเข้าคิวกันคิวนี้ยาวทีเดียว แล้วเขาก็สังเกตว่ามีคิวหนึ่งเนี่ยเด็กก้าวบอยู่ท้ายคิวเลยเด็กคนนี้ก็ใส่แต่เสื้อคอกลมกับกางเกงขาสั้นอากาศตอนนั้นก็หนาวนะมีนานี้ยังหนาวอาตมาเคยไปญี่ปุ่นขนาดเมษานี่บางจุดบางบางที่ยังมีหิมะอยู่เลยแต่เป็นยอดเขานะเป็นนะเป็นเขาสูง เขาก็เลยอาสาสมัครคนนี้เห็นเด็กคนนี้ก็เลยเข้าไปคุยก็สอบถามก็ได้ความว่ า, อาตอนนี้จะเรียกว่ากัมพาพ่อกัม้าแม่ก็ได้ก็บอกว่าเห็นตอนที่เกิดเรื่องนี้พ่อก็ขับรถมาจะมารับที่โรงเรียนก็ปรากฏว่าเจอคลื่นสึนามิซัดไปต่อหน้าต่อตาเด็กอยู่บนตึกนะชั้นสาเห็นต่อหน้าต่อตาเรยว่าคลื่นซัด ลถพ่อหายไปเลยแล้วแม่ลอาสาสมัครก็ถามเขาบอกว่าแม่บ้านเขาอยู่ริมทะเลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเจอทะเลคลากรืนชีวิตไปแล้วล่ะเพราะว่าบ้านเรือนพังพินาศหมดอย่างที่เราคงได้เห็นข่าว แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยญาติญาติที่อยู่ทางนั้นก็คงไปด้วยแหละเด็กพูดก็เด็กก็น้ําตาซึมสารสมัครคนนี้ก็เห็นเด็กคนนี้ใส่แต่เสื้อคอกลมเสื้อยืดขึ้นเลยเอาเสื้อโค้ตเสื้อหนาวนะมอให้เด็กก็เพอเอิญขนมปังที่ของเขาเองนะอาหารของเขาเอง ที่อยู่ในเสื่อมก็ตกลงมาตกลงพื้นเขาก็เลยหยิบหยิบขนมปังนั้นเนี่ยให้เด็กเราก็บอกว่าอันนี้เป็นส่วนของน้านะแต่ว่าน้ากินได้ขึ้นนิดหน่อยเองนะนะก็อยากจะให้ให้หนูมอบให้หนูไปกินซะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้จะได้กินหรือเปล่าเพราะคิวมันยาวมากนะเขาก็มอบขนมปังนี้ให้กับเด็กนะเด็กก็รับไปแล้วขอบคุณ แต่ว่าแทนที่เด็กเนี่ยจะจะกินขนมปังนั้นด้วยความหิวบอกว่าเด็กก็เดินไปที่ไปที่ต้นแถวตรงที่ที่กำลังมีการแจกอาหารอยู่แล้วก็เอาขนมปังนั้นเนี่ยวางบนถาดวางบนกล่องที่ใส่อาหารสาหรับแจกให้กับคนที่กำลังหิวโหวย อาซาสมากานั้นเห็นก็แปลกใจว่าทำไมหนูไม่กินนะเด็กก็บอกว่าคงมีคนที่หิวกว่าผมเยอะนะแล้วก็ผมก็อยากจะให้อาหารนี้ได้รับการแบ่งอย่างเท่าเทียมกันอาสาสมากฟังแล้วก็ประทับใจมากเขาบอกว่าน้าตาไหลเลยว่าเด็กขนาดอายุเก้าขวบแค่นี้นี่ แม้จะหิวก็ยังนึกถึงคนอื่นนึกว่านึกถึงคนอื่นที่อาจจะหิวกว่าตัวนะคือในยามลำบากแบบนี้นี่คนจำนวไม่น้อยก็คิดถึงแต่ตัวเองแต่เด็กคนนี้เขายังคิดถึงคนอื่นว่าอาจจะมีคนที่ลำบากกว่าตัวที่หิวกว่าตัวแล้วก็ยังรู้สึกว่าการที่ตัวเองได้รับอาหารก่อนคนอื่นนี่มัน มันไม่ยุติธรรมนะอาหารนี้ก็ต้องแบ่ ง, บงก็ต้องให้ใครมาใครอยู่ใครมาถึงก่อนก็ได้ก่อนคนอยู่หลังก็ได้ทีหลังอันนี้มันก็นถือว่ามันเป็นความเท่าเทียมเป็นความยุติธรรมเด็กเขาลุก้กว่าเาถ้าเขาได้อาหารนะเท่นั้นที่อยู่ท้ายแถวนี้เขาไม่อยากจะได้รับอภิสิทธิ์อย่างนั้น เขเลเอาอาหารไปมอบให้เป็นของส่วนกลางส่วนรวมเพื่อที่จะได้แจกจ่ายกันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่นับประทับใจมากนะเรื่องราวแบบนี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆนะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์สึนามินะซึ่งก็มันก็มีทั้งเรื่องลายลายนะก็เรื่องดีๆกรณีของเด็กคนนี้ก็น่าสนใจนะคือ เด็กก็คงจะหิวนะทั้งหิวทั้งหนาวนะแต่ว่าจิตใจเขาเข้มแข็งมากนะคนเวลาหิวเนี่ยนะก็มักจะจิตใจก็โอนอ่ อ, อนผ่ อ, อ น, อนตามนะความหิวของร่างกายแต่เด็กคนนี้เขายังจิตใจเ็ายังเข้มแข็งนะนอกจากคิดถึงคนอื่นแล้วก็ยังยังระลึกได้ถึงว่าอะไรอะไรถูกอะไรควร นะก็ไม่ยอมพ่ายแพ้แต่ไม่พ่ายแพ้ต่อความหิวโหยของตัวอันนี้เราว่าจิตใจเข้มแข็งสามารถที่จะเอาชนะร่างกายได้อันนี้ก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะว่ า, นะวาร่างกายคนเราเนี่ยนะมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าหากว่าจิตใจเข้มแข็งเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วย ทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นของของเราดีขึ้นมาได้หรือว่าสามารถที่จ ะ, ะไม่พ่ายแพ้นะต่อความทุกข์ขนาดเด็กเจ็ขวบนี่เขาก็มีจิตใจที่เข้มแข็งอันนี้เป็นความสามารถหรือเป็นศักยภาพของมนุษย์ทุกคนว่าจิตใจของเราเนี่ยนะสามารถที่จ ะ, ะทำสิ่งที่ประเสริฐได้แม้ว่าจะอยู่ ในถ้ำกลางความทุกข์แม้ว่าจะประสบภัยพิบัติก็ยังสามารถที่จะทําสิ่งดีๆไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความทุกข์ความควา ม, ความหิวโหยได้อันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันต้องผ่านการฝึกอย่างเด็กคนนี้ก็คงจะได้รับการฝึกมาอย่างดีนะทั้งในโรงเรียนแล้วก็โดยครอบครัวแล้วก็จะรวมถึงโดยชุมชนด้วยเพราะว่า สังคมเขาก็หล่อลอลอมมาให้เด็กมีวินยัยแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวกลมเด็กให้เข้มแข็งเชนะ่นอาจจะให้เด็กได้ทำสิ่งที่ยากลำบากแนะการทำสิ่งที่ยากลำบากเช่นพาเด็กขึ้นเขาหรือว่าพาเด็กชวนเด็กเก็บขยะในชุมช น, ชนเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งว่ า, วาเพื่อให้ตระหนักถึงสิ่งว่าลอ้อมแล้วก็ส่วนรวม ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตใจของเด็กให้มีวินัยให้มีความเข้มแข็งให้นึกถึงส่วนรวมการฝึกเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีนะเช่นการที่ทําให้เด็กเป็นจิตอาสาชวนเด็กทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่นก็ทําให้ให้เด็กเนี่ยเขามีความ เข้มแข็งแล้วก็คิดถึงคนอื่นไม่เอาแต่ใจตัวที่จริงไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่นะก็เหมือนกันนะมีทั้งมีเด็กผู้ใหญ่นะที่ทไปเป็นจิตอาสาช่วยเด็กดกําพร้าเด็กอ่อนที่บ้านปากเกร็ดนนทบุรีแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์แล้วเขียนมาเป็นหนังสือหลายคนก็พูดไว้ คล้ายๆกันว่าให้การเปเป็นจิตอาสาเนี่ยนอกจากจะทำให้เขามีความสุขแล้วเนี่ยยังทำให้เขาเนี่ยรู้จักอดทนไม่เอาแต่ใจตัวมีวินัยมากขึ้นเพราะว่าพอทำงานกับเด็กก็เกิดความรักเกิดความห่วงใยเด็กคนที่มาไม่ค่อยตรงคนที่เคยไม่ตรงเวลาหรือว่า ไม่รับผิดชอบกับงานกับการพอมาดูแลน้องพอมาดูแลเด็กแล้วเนี่ยก็ต้องบังคับตัวเองให้ตรงเวลาบังคับตัวเองให้อดทนอดกลัน้นไม่เอาแต่ใจตัวนะพยายามเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเด็กอันนี้ก็ทําให้เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาในใจทําให้เกิดขันติความเพียรขันติความอดทนแล้วก็วิริยะความเพียรขึ้นมามันก็เป็นการทําจิตใจให้ มีคุณภาพได้นี่ก็เป็นวิธีการฝึกอย่างหนึ่งนะการที่เราเสียสละให้ทานมีอะไรก็แบ่งปันผู้อื่นในทางพุทธศาสนาก็เน้นมากเรื่องกันให้ทานอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเดียวนะแต่ก็เป็นการฝึกจิตใจของเราเองให้ยึดติดถือมั่นในสิ่งของ หรือว่ามีความเพ่งแค่ตัวให้น้อยลงเมื่อเราเห็นแค่ตัวน้อยลงเราก็จะเป็นคนที่สุขง่ายนะเพราะว่าความเห่งแค่ตัวเนี่ยมันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทุกข์อะไรนิดอะไรน่ ย, นยก็มีปัญหาแต่คนที่คิดถึงแต่ผู้อื่นเนี่ยแม้หิวโหวยก็ไม่รู้สึกทุกข์เพราะว่าเป็นห่วงคนที่หิวกับตัว อย่างเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยนะเขาก็นะเขาก็ไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่ทั้งนั้นที่เขาก็หนาวทาั้งนที่เขาก็หิวแต่เขารู้ว่าคนที่ทุกข์กว่าเขานี่มีอีกเยอะทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเขาก็ทุกข์มากนะเพราะว่าพ่อก็ตายแม่ก็ตายตัวเองก็ทั้งเั้่งตัวก็มีแค่เสือ้อยืดขอกลมกับกางเกงขาสั้นเท่านั้นแต่ว่าใจที่เขาเสียสละมานะ มันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ไม่เห็นว่าความทุกข์ของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดหรือว่าใหญ่กว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ของการการการให้ทานถ้าให้ทานอย่างถูกต้องรวมทั้งการเสียสล ะ, สะการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นนะ <c oughs> การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นนี่เราก็เรียกว่าศีล น, นะศีลศีล น, นี่มันไม่ใช่แค่การ อไม่ทำโน่นไม่ทำนี่นะไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ลักขโมยเท่านั้นแต่ศีลหมายถึงการทำสิ่งดีๆ ด, ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลการแบ่งปันนี่ก็เป็นศีลได้นะและที่สำคัญอันนี้คือเรื่องการฝึกใจด้วยสมาธิภาวนาก็คือการเจริญสตินะหรือว่าการทำให้จิตมีความสงบอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกจิตเหมือนกัน ซึ่งสามารถทําให้จิตนี้เข้มแข็งและมีคุณภาพได้การฝึกตรงนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าถ้าไม่ฝึกหรือว่าไม่ใส่ใจเนี่ยจิตของเรานี่เองก็จะกลายเป็นตัวปัญหาจะกลายเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาแก่คนอื่นนะแต่ว่าสร้างปัญหาให้แก่ตัวเราเองด้วยนะนะเพราะจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าเจออะไรนิดอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็ ทุกแล้วนะและเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยทุกข์เพราะใจของตัวเองนี่เยอะมากนะใจที่ปรุงแต่งใจที่เจ้าคิดเจ้าแค้ น, นหรือใจที่ชอบยุติดมันก็ทำให้คนเรามีความทุกข์เจออะไรที่กระทบใจเจอคำตำหนิคำต่อว่าก็เก็บเอามาคิดเก็บเอามาทิมแทงจิตใจตัวเอง เวลาเวลาถูกตําหนิเนะี่ยคนตําหนิเขาก็พูดแล้วเขาอาจจะลืมไปแล้วนะอาจจะหลับสบายแต่ใจของเราที่ไปยืดเอาคําตําหนินั้นมาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็กลับกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าถ้าสะสมนานๆเข้าก็กลายเป็นความเครียดแค้นใจแล้วก็ถ้าปล่อยให้ยืดเยอะรือหลังก็ อาจจะล้มป่วยเจ็บป่วยได้ไอ้เพราะเพราะใจนี้แหละนะไม่ใช่ใจของใครแต่เป็นใจของเราคนอื่นเขาทำได้อย่างมากเขาก็ตำหนิเราหรือว่าเอาของของเราไปหรือว่าโกงเงินเราแต่เขาไม่สามารถจะทำให้เราทุกข์ได้หมายถึงทุกข์ใจนะคนที่ทำให้เราทุกข์ใจได้ หรือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้มีอย่างเดียวคือใจของเรานั่นเองคนอื่นทำได้แต่รังแกเราหรือว่าเอาเปรียบเราแต่ว่าความทุกข์นั้นเนี่ยไม่มีใครทำให้นอกจากใจของเราดัางนั้นถ้าใจเราเนี่ยไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหรือว่าไม่ไม่รู้จกัจ ก, ววจกวางจิตวางใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ย ใจนี้เองนะที่จะกลายเป็นตัวสร้างปัญหาให้แก่เราที่จริงไม่ต้องรอให้ใครมามาแกล้งเรามาเอาเปรียบเราแค่อยู่เฉยๆที่บ้านนะมีกินมีใช้อยู่สบาย<น>ก็ยังกระสับกระส่ายทุรนทุรายเลยเพราะว่าอยู่คนเดียวเหงาเบือ่อเซงเ น, นะหรือว่าเป็นทุกข์กที่ไม่ได้โน่นไม่ได้นี่ ทั้งๆ ท, ที่รอบตัวนี้ก็มีความสะดวกสบายอยู่แล้วนะคนที่อยู่ท่ามกลางความสะดวกสบายนะแต่ว่ามีความทุกข์นี่เยอะมากนะอย่างต่าๆก็เงาอย่างต่าๆก็เบือ่อเซ็งแล้วมันกลายเป็นความทุกข์ที่เ ก, เกาะกินจิตใจผู้คนจนกระทั่งผลักดันให้ทำในสิ่งที่ไม่ไมสมควรก็ได้เช่นพอเงาแล้วก็เลยต้องออกไปเที่ยวห้างออกไปหาเพื่อน เจแล้วก็เลยเสียผู้เสียคนเพราะอบายมุกหรือว่าถูกเขาหลอกถูกเขาล่ อ, ล, อลวงไปทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นจากความเหงานะทั้งทั้งที่ชีวิตก็สบายอันนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากใจนั่นเองนะขณะไม่มีใครทำให้เราทุกข์นะแต่ว่าใจที่วางไว้ไม่เป็นเนี่ยก็สามารถจะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้มากมายยิ่งถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดเหตุที่ ไม่น่าพึงพอใจนะเช่นเงินหายของหายถูกตำหนินะหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะไม่ใช่หายแต่ของนะแต่ใจก็หายด้วยนะไม่ใช่เสียแต่เงินนะแต่ใจก็เสียด้วยนะคนอื่นเขาทำได้แค่ขโมยเงินเราไปแต่ความเสียใจเนี่ยไม่มีใครทำให้เราได้นะมันต้องใจของเราเองนั่นแหละ ต้องตัวเราเองนั่แหละที่จะทำให้เสียใจได้คนหนึ่งเขาจะด่าว่ายังไงเนี่ยเขาไม่สามารถทำให้เราโกรธแค้นได้ลองนึกดูดีๆนะเขาจะด่าว่ายังไงเนี่ยไม่ทำให้เราโกรธแค้นได้แต่ใจที่วางว่าไม่ถูกสังหากนะที่จะโกรธแค้นขึ้นมา พอใจระวังไว้ไม่เป็นแล้วเนี่ยนะเราก็ก็คิดก็เครียดก็แค้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราต้องการที่ไม่อยากจะมีความทุกข์นะต้องหันมาดูใจของเราหันมารู้ทันใจของเราหันมาใส่ใจใจของเรานะ โดยเพราะถ้ามันมีตัวกิเลสที่มาก่อ ก, กวลวนเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้ใจของเราเนี่ยคลาดแค้วหรือปลอดพ้นจากกิเลสเหล่านั้นโดยเพราะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูเนี่ยตัวนี้สําคัญมากในทางพุทธศาสนาเนี่ยไอ้ตัวนี้คือละแง้าของความทุกข์ทั้งทั้งทั้งมวลถ้าเราไม่รู้จักทําให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วเนี่ยมันก็จะคอยก่อ ก, กลัวเราได้นะอย่างที่บอก ใครก็าทำอะไรไม่ถูกใจอย่าว่าแต่ไม่ถูกใจเลยเป็นแค่ชมเราแต่ชมได้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขนาดที่เราต้องการนะเราก็ทุกข์ลวหรือได้ได้โชคได้ลากแต่ได้ไม่ถึงขนาดที่เราต้องการเนี่ยก็ทุกข์ลวได้ล้านได้สิบล้านก็ทุกข์นะเพราะใจที่หวังไว้ไม่ถูกใจที่หวังไว้ไม่เป็น นั่นถ้าหากว่าเรานะไม่อยากจะมีความทุกเนี่ยนอกจากการระแวดระวังไม่ให้ใครมามารบกวนหรือมาลังแกเราแล้วเนี่ยให้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องระวังใจของเราอย่าให้ใจเรานี้เองเนี่ยมันลังแกตัวเราไา้ใจนี้สามารถที่จะลังแกเราหรือทาร้ายเราได้มากมายนะสามารถที่จะทำให้คลุ้มคลั่งเป็นบ้าหรือว่าฆ่าตัวตายได้เพราะ ใจของเรานี้เองใจที่ไม่ได้รับการดูแลนันจะไปจะไปมองจะไปเพ่งโทษที่คนภายนอกมากอยะาไ ป, อ ย, าไปอย่าไปโทษที่ใครต่อใครนะต้องโทษถ้าจะมีความทุกข์เนี่ยต้องโทษใจของเราด้วยว่าใจของเราเนี่ยมันไปเอออหอมกไหมมันไปซ้ำเติมใจของตัวเองหรือซ้ำเติมกายของตัวเองหรือเปล่านะ ถ้าเราวางใจให้ดีเนี่ยแม้เกิดอะไรกัขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์ก็ได้นะใครก็จะเอาเปรียบเราเราก็ไม่รู้สึกทุกข์ก็ได้มีเด็กคนหนึ่งเขานะเขานะเขาฉลาดมากนะฉลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฉลาดในเรื่องของวิชาความรู้หรือการสอบนะแต่เขาฉลาดในการที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ อันนี้เรื่องนี้ก็ก็มีคนเล่ามาอีกทีนะคือเขาไปดูโทรทัศน์รายการพลเมืองเด็กรายการพลเมืองเด็กเนี่ยเขาเอาเด็กสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมเด็กก็ประมาณสิบขวบสิบสองขวบนะทุกที่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเขาให้ทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อคล้ายๆไปเลลิตี้โชว์ เพื่อศึกษาว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรก็เปลี่ยนไปเลยนะเด็กสามคนเนี่ยคราวหนึ่งเขาเอาเด็กมาทำกิจกรรมก็คือการขนของขึ้นรถไฟที่จริงมีกิจกรรมหลายอยา่างแต่กิจกรรมนึงก็คือขนของขึ้นรถไฟซึ่งมันก็ต้องรีบทำเพราะรถไฟมีเวลาออกที่แน่นอนก็บังเอิญเช้า ว, วันนั้นเนี่ยหรือตอนบ่ายวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอห์ห์เขาขึ้นชกสมจิตนี่ก็เป็นนักชกเหรียญทองโอลิมปิก เด็กสองคนเป็นผู้ชายเป็นแฟนสมจิตพอรู้ว่าสมจิตชกก็ทิ้งงานไปดูโทรทัศนะ์ที่เขาถ่ายทอดที่ร้านกาแฟที่สถานีก็ทิ้งให้เด็กผู้หญิงคนเดียวขนของอันเด็กเขาก็ทำด้วยความตั้งใจนะพิธีกรก็เลยไปถามเด็กว่าหนูคิดยังไงนะที่เด็ก ที่เพื่อนสองคนเขาทิ้งงานให้หนูทำคนเดียวเดียวผู้หญิงคนนี้นะนก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนสมจิตนะเขานานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกก็เขาอยากไปดูก็ไม่เป็นไรหนูก็ทำงานคนเดียวพิธีกรก็เลยถามตอบไปว่าแล้วหนูไม่ไม่โกรธหรือไม่คิดจะด่าว่าเขาเหรอพิธีกรก็แย่นะ เด็กก็ตอบดีมากเด็กก็บอกว่าหนูขนของคึ้รถไฟเนี่ยหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูโกรธถ้าหนูไปตาว่าเขาหนูก็เหนื่อยสองอย่างเดี๋ยวเขาฉลาดนะแล้วเดี๋ยวเขารู้ว่าระหว่างเหนื่อยสองอย่างกับเหนื่อยอย่างเดียวนี่จะเลือกอะไรนมันเลือกได้นะแล้วเด็กคนนี้ก็เลือกเหนื่อยอย่างเดียวแต่ว่าอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่นะ บางทีเลือกเหนื่อยสองอย่างนะคือทําไปก็ด่าไปทําไปก็บ่นไปมึงเอาเปรียบกูมึงเอาเปรียบกูบกนะหรือไม่ก็ไปต่อว่าต่อว่าเขาก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะถูกข์เาพอเขาทุกข์เาโต้กลับมาก็ยิ่งเจ็บแค้นอันนี้เห็นหมว่าเด็กนีเ่เขาเขารู้ว่าถ้าไปถ้าโกรธถ้าไปด่าว่าเพื่อนเนี่ย เขาจะเหนื่อยเพิ่มขึ้ น, นคือไม่ใช่แค่เหนื่อยกา ย, ยาเดียวเหนื่อยใจหรือว่าทุกใจด้วยนะเขาเลยเลือกที่จะเหนื่อยอย่างเดียวก็คือทําไปโดยไม่บน่นเะพื่อนจะมาทําเมื่อแหร่ก็แล้วแต่เพื่อนก็แล้วกันนะแต่ว่าฉันก็จะทำหน้าที่ของฉันที่ดีที่สุดนะอันนี้เห็นไหมว่าเวลาแม้ว่าจะมีคนเอาเปรียบเรา แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะทำให้เราทุกข์ได้คนที่จะทำถ้าเราจะทุกข์ได้ก็เพราะใจของเรานะใจที่เลือกเหนื่อยสองอย่างแทนที่จะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวนะซึ่งคนที่เขามีปัญญาเขาไม่เลือกหรอกเหนื่อยสองอย่างนะแต่พราะไม่มีปัญญาเพราะความหลงตังหากทำให้เลือกเหนื่อยสองอย่างนะของหายเนี่ย เราเลือกได้นะว่าจะหายทั้งของหายทั้งใจหรือว่าหายแต่ของอย่างเดียวถูกนะคนด่าว่าเราก็เลือกได้นะว่าเออเราจะโกรธโมโหหรือว่าจะเป็นปกติหรือเลือกได้มากกว่านั้นว่าเอาคำพูดของเขาเนี่ยมาพิจารณามาเป็นธรรมะนะ มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะท่านชื่อหลวงพ่อทองรักนะมารณภาพาเป็นนานแล้วท่านเรียกว่าเป็นลูกศิษย์แถวต้นๆ น, นะของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาในวงการกรรมฐานนี่รู้จักดีถ้าเป็นรุ่นพี่ของหลวงตามหาบัวด้วยก็ท่านก็มีเป็นเป็นผู้ที่มเีเรียกว่ามีความผงผางมีกิริยาอาการที่ แปกจะพระทั่วไปพูดจาตรงไปตรงมามีคาวหนึ่งถ้าไปบิณฑบาตนะก็มีโยมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเอาบัตรสนเทศใส่บาตรท่านท่านรู้เลยนะว่าในนั้ น, นเขียนว่าอะไรนะพอไปถึงวัดนะท่านก็พาสังคติเลยนะสังคติก็เนี่ยนะสังคติแล้วก็พนมมือแล้วบอกให้เ น, เนี่ย แล้วก็ยื่นบัตรสนเทศนั้นให้เน้นอ่านบัตรสนเทศนั้นก็ด่าท่านมากว่าเป็นพระไม่ดีเป็นพระที่ไม่มีคุณธรรมเที่ยวขอชาวบ้านนะพระอย่างนี้่ไม่สมควรอยู่ต่อไปถ้าอยู่ที่นี่นะระวังจะเจอตะกัวนะว่าไปนนะด่าท่านแรงๆให้ท่านพนมมือนะพอเน้นอ่านจบท่านก็สาธุาก่อน ก่อนเมื่อกี้ลัก่าเป็นหน่อยตอนที่ก่อนที่ท่านจะให้เนนอ่านบัตรสุนทเททักระบอกเนี่ยวันนี้ได้อำมฤตธรรมจากเทวดามาได้มาแต่เช้าเลยเอาเน้นอ่านให้ฟังพอเน้นอ่านจบท่านก็พนมมือสาธุแล้วก็บอกว่าเออดีจังนะวันนี้นะตั้งแต่เช้าเลยได้ธรรมะเรื่องโลกธรรมนะโลกธรรมคือว่ามีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีสารเสร่อก็มีนินทา นะมีมีสุขก็มีทุกข์กขนะท่า น, านให้พรนะนแล้วก็ขอบคุณคนที่เขียนมาท่านเรียกว่าเป็นเทวดานะานแล้วก็เรียกว่าได้ธรรมะนะได้ธรรมะจากคำด่านะันนะอันนี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญานะคือเวลาถูกด่าแล้วเนี่ยเราไม่ทุกข์ก็ได้นะและแถมยังได้ประโยชน์จาก จากสิ่งนั้นคือเห็นธรรมเนี่ยจากคำด่าว่าก็ได้อันนี้เนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกนะอยู่ที่ใจของเรานะแต่ว่าใจเราเนี่ยมักจะเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกที่จะโกรธเลือกที่จะแค้นเลือกที่จะทุกนะทำไมเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่บอกไว้แล้วเพราะว่าพอเราหลงนะเราลืมตัวเราลืมตัวเพราะเราไม่มีสตินะ แต่ถ้าเราหัดดูใจของเราบ่อยๆนะเราจะเราจะรู้ทันเวลาใจมันก็เพิ่มเวลาใจใจใ จ, ใจงดหงิดขึ้นมานะหรือโกรธขึ้นมาและพอเรารู้แล้วเนี่ยเพียงแค่รู้เท่านั้นแหละมันก็จะสงบลงได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเนื่องจากความหลงความไม่รู้ตัว แต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบ า, บางไปหรือถึงแม้จะยังไม่สง บ, สงบแต่ว่าพอมีปัญญาตามมาสติกับปัญญามาคู่กั น, กนปัญญาก็ทำให้ความทุกข์หรือความโกรธนั้นเนี่ยบรรเทาเบาบางไปได้มีหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งนะหลวงพ่อพุทธนะท่านก็มารณบภาพาไปแล้วเช่นเดียวกันท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มเนี่ยเคย คราวนึงบินทาบาทอยู่ก็มีแม่มีผู้หญิงเนี่ยคอยยืนคอยใส่บาทท่านท่านก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นน่มีลูกอยู่อายุสามสี่ขวบมึงพอท่านเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเด็กคนนี้อยู่ๆก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระพูดมาที่ท่านนะนะมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระ ความรู้สึกแรกของท่านคือโกรธขึ้นมาทันทีเลยแต่เสียดท่านมีสติท่านก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออจริงนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระแล้วเราต้องไม่โกรธนะพอคิดอย่างนี้ได้ขึ้นมานะความโกรธนี่หายไปเลยนะจิตใจปกติแล้วก็เดินไปรับบาตรนะไม่ได้โกรธเด็กเลยตอนหลังท่านก็บอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้คืออาจารย์ของท่าน นะคือทำให้ท่านเกิดมีสติขึ้นมาคือคนเราเนี่ยบางทีก็ต้องเจออะไรกระแทกอะไรมากระทบนะปัญญาหรือธรรมะถึงจะเกิดหรือว่าจะได้รู้ทันใจของตัวเองได้มากขึ้นนะอันนี้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะโกรธเด็กแล้วก็อาจจะพันพานโกรธแม่ว่าทำไมไม่สอนลูกให้ดีนะ ถ้าถามว่าใครเป็นทุกข์ก็เราเป็นทุกข์เองแต่เมื่อแล้วก็ตามที่เราหมันดูใจของเราบ่อยๆเนี่ยเพียงแค่ความไม่พอใจเกิดขึ้นความโกรธหรือความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ลามและนะมันก็หยุดมันก็ขาดนะไม่ว่าจะเป็นความโกรธความทุกข์ความเศร้าความเบื่ อ, ม, อมันก็มาด้วยอาการเดียวกันคือมาเมื่อเราเผลอมาเมื่อเรา หลงนะมาเมื่อเราลืมตัวแต่เพียงแค่เรารู้ตัวเท่านั้นนะมันก็ละลายหายไปหรือว่าระเหยหายไปมันเหมือนกับความมืดนะเมื่อเจอแสงสว่างเนี่ยมันก็ลาดถอยไปเองอารมณ์ต่างๆนี่มันเหมือนความมืดนะซึ่งมันคลองใจได้ ต่อเมื่อแต่เมื่อเรามีสติเรารู้ตัวก็เหมือนกับว่าความสว่างเกิดขึ้นขวาความสว่างนั้นก็ขับไล่ความมืดไปเราไม่ต้องไปขับไล่อารมณ์นั้นปล่อยให้สติทำงานนะปล่อยให้ปัญญานี่ทำงานนะแต่เพียงแค่สติความรู้ตัวนะมันก็ช่วยได้มากนะซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นดูใจของเราบ่อยบ่อยนะการเจริญสติที่เราทากันเนี่ยนะมันก็เพื่อฝึกให้เรา มันรู้ทันความคิดนะอันนี้เป็นการฝึกอย่างหนึ่งนะการฝึกแล้วเราต้องฝึกไม่ใช่แค่ฝึกเฉพาะที่วัดนะแต่ว่าฝึกในชีวิตประจาวันของเราจะทำอะไรก็ตามกินข้าวอาบน้ำถูฟันก็ให้มีสติก็คือว่าไม่ว่าตัวทำอะไรนะหรือตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นนะตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ ตัวกลังเคี้ยวอาหารอา้าวใจก็รับรู้กับการเคี่ยวอาหารกายกาลังถูฟันนะใจก็รับรู้การถูฟันนี่คือพื้นฐานการเจริญสติเวลาใจเผลอไปอา้าวก็รู้นะถ้าเราพยายามหมั่นดูใจพอใจเผลอไปเนี้ยเราก็จะรู้ทันได้ง่ายแล้วพอรู้ทันได้ง่ายเวลาอารมณ์ต่างๆมัน เข้ามาครอบงำจิตใจเพราะว่ามีอะไรมากระทบนะหรือมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเจอความพัดพรากสูญเสียไม่ว่าสูญเสียเงินสูญเสียคนรักนะหรือว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจใช้งานการไม่ไม่ับหรือมีประสบอุปสรรคพอใจก็เพิ่มขึ้นมากเกิดโทสะขึ้นมาเอารู้นะพอรู้แล้วก็ช่วยทำให้วางได้ ใจแล้วก็เป็นปกติงั้นถ้าถ้าเราถ้าเราหมั่นดูใจรู้ใจของเราเนี่ยเราไม่เราไม่เราไม่เป็นห่วงนะเราไม่แคร์นะว่าคนหนึ่งเขาจะรู้ใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราชอบให้ใครต่อใครอยากได้คนที่รู้ใจเราอยากได้แฟนที่รู้ใจอยากได้ลูกศษิษย์ที่รู้ใจอยากได้ลูกน้องที่รู้ใจหรืออยากได้เพื่อนที่รู้ใจพอคนหนึ่งเขาไม่รู้ใจเราเราก็โกรธ แต่ไม่เคยถามเลยว่าเราเราเองเราเราเราู้ใจเราเองบ้างหรือเปล่าแล้วเราเคยคิดอยากจะรู้ใจตัวเองบ้างไหมอยากจะให้คนอื่นรู้ใจเราอย่างเดียวนะนั้นถ้าเราถ้าเรามารู้ใจบ่อยๆจนทั่งรักษาใจเป็นปกติได้นะเราก็ไม่สนใจนะว่าใครเขาจะรู้ใจเราหรือเปล่าใครก็จะทําถูกใจเราหรือเปล่านะเราก็ไม่สนใจเพราะเรารู้ว่า แม้เขาจะทำอะไรไม่ถูกใจเราก็ไม่สามารถจะทำให้เราจิตใจวันไหวได้เพราะเรารู้ว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ใจเรามีสติมีปัญญาหรือเปล่างานนี้สาคัญมากมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นนักบวชจะเป็นพระแม่ชีก็แล้วแต่พวกเราซึ่งต้องใช้ชีวิตทั้งโลกซึ่งจะต้อง ประสบกับแรงเสียดทานต่อไปพวกเราก็ต้องไปทำงานก็จะเจอแรงเสียดทานเยอะจะเจอสิ่งที่กระทบจิตกระทบใจเยอะนะแต่ก่อนเป็นนักศึกษาก็เรียกว่าเป็นอิสระนะเราจะเรียนดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราแต่พอไปทำงานแล้วนะเราต้องทำงานอยู่ภายใต้ระบบระบบราชการหรือว่าต้องทำงานร่กกวมกับคนอื่น ต้องมีเจ้านายต้องมีเพื่อร่วมงานทั้งหมดนี้สามารถจะเป็นแรงเสียดทานหรือกระทบกระแทกเราได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราวางใจไว้ดีใครทาอะไรไม่ถูกใจเราก็ไม่ทุ ก, กข์เขาจะต่อว่าเราอย่างไรเราก็ใจเราก็เพิ่มประเดี๋ยวเดียวเราก็วางได้ก็สามารถที่จะทําได้ทํางานได้ไม่มีความสุขนะใครไม่เข้าใจเราเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะอย่างน้อยเราเข้าใจตัวเรา เดี๋ยวนี้เราเรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเรานะแต่เราไม่เคยมาดูตัวเราเองหรือว่าเราเข้าใจตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราเข้าใจคนอื่นบ้างหรือเปล่านะได้แต่เรียกร้องให้คนอื่นเข้าใจเราแต่เราไม่เข้าใจคนอื่นหรือไม่เข้าใจแมก้กระทั่งตัวเองนะ เ, <pr os> เราเคยสงสยัยไหมเวลาแม้เ <m> จออะไรกระทบนิดหน่อยเนี่ยแต่ทําไมถึงทุกเป็นวัน น, นะคนพูดอะไรไม่ถูกใจเรานิดหน่อยเนี่ยแต่ทําไมถ <c oughs> ึงเก็บเอาไปคิดนะเป็นวันเป็นคืน นะทำไมสบายดีอยู่แล้วอะไรแล้วก็มีทุกอย่างแล้วแต่ทำไมมันเหงาทำไมมันเบื่อนะเคยตั้งคำถามเคยพยายามที่จะทำความเข้าใจตัวเองบ้างไหมอันนี้เพราะถ้าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่มีทางจะเข้าใจตัวเองและเมื่อไม่รู้จักตัวเองแล้วนะก็ยากที่จะเป็นมิกฉาตัวเองนะเมืนะ่อไม่เข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยยากที่จ ะ, จะเป็นมิกฉาตัวเองไดนะ้คนเดี๋ยวนี้นี่ ไม่ค่อยเป็นมิกรกับตัวเองเท่าไหร่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อไหร่นี่จะ ก, ก, กระสับกระส่ายขึ้นมาทันทีเลยต้องหาเรื่องทำโ น, น่นทำนีนะ่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็ต้องเปิดโทรทัศน์ดูดูดีวีดีโทรศัพท์มือโทรศัพท์ถึงเพื่อนหรือไม่ก็เล่นเล่นเฟซบ o ๊กแชทกับใครต่อใครมากมายอันนี้ก็มีร่างมาจากความเหงามีร่างมาจากการที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ อันนี้เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กับใจขอ ง, ของเราไม่มีเวลาให้ใหกับการที่การดูแลจิตใจของเร า, เราก็เลยไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักไม่เข้าใจตัวเองแต่ ถ, ถ, ถ้าเกิดว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองได้ลราก็จะได้มิตรที่แสนดีมิตรที่แสนประเส ร, ริฐที่สุดก็คือตัวเองและเราก็สามารถจะทำให้เป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นเจออะไรท้ามอยู่เจออะไรกระทบ อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งเจอภัยพิบัตนะิจิตใจก็ยังมั่นคงเป็นปกติได้นะหรือว่าไม่ไม่ทุกข์ระทมเพราะเอาแต่บ่นว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะทำไมไปช่วยคนอื่นทำไมไม่ช่วยฉันนะคิดแบบนี้นี่ทุกทันทีเลยนะแต่ถ่านึกถึงคนอื่นอย่างเด็กผู้ชายที่เล่าตอนต้นเนี่ยเขอจะทุกข์น้อยนะ เพราะว่าเขาคิดถึงตัวเองน้อยอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกใจอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ชานี้ก็ฝากเอาไว้ท่านี้นะนนก็กลับพาพร้อมกัน